ต่อไปนี้จะกล่าวรมโมทนาสาธุกา ร, รที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโมทนาวัดวัดคือข้อปฏิบัติอนโมทนาความดีของบุคคลคนทำดีอะไรคนทำดีรักษาศีลคนทำดีให้ทานคนทำดีกวางเตสกวางธรรมคนทำดีเป็นประโยชน์ตนและคนอื่น คนทำดีจั้งชาตินี้ชาติหน้าและถึงพระนิพพานได้การคอยพระนิพพานต้องทำดีเล็กน้อยอย่างนี้ก่อนทำความดีเหมือนกับฝนตกทีละหยาดทีละหยาด ต, ตกทีละหยาด ก, ก็เต็มกรองบึงบางหนองละทานท้าลงมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ฉันใดบุญอาบุคคนทำแล้วเหมือนจอมปลวกก่อตัว คาบมาเล็ดรายหรือดินมานิดหน่อยแล้วก็ก่อเป็นจอมขึ้นได้ชั้นใดคนเราก็เป็นจอมแห่งบุญจอมแห่งทรัพย์ได้จอมแห่งความดีได้หรือไม่ฉะนั้นเหมือนกับปุ่มมารินแมลงพึ่งที่มันบินไปเอาแก่ถอนดอกไม้ให้ติดมือติดจีนมานิดหน่อยแล้วมาสร้างรวงรังสร้างไปสร้างมากลายเป็นรังใหญ่เป็นน้ําพึ่งที่ มีประโยชน์กับบุคคลด้วยน้ํำพึ่งของปุงมมาลินทําขึ้นได้ฉันใดน้ําพึ่งใจน้าพึ่งธรรมะของคนก็จากไปจากศีนี่แหละท่านอย่านึกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องทำบุญเป็นเรื่องใหญ่คนใจะใหญ่ได้ต้องนับหนึ่งหรือจากเลขศูนก่อนแล้วพอศูนแล้วก็หนึ่งสองสามทำบุญนิดหน่อยทําบ่อยๆทาเนืองๆทาเรื่อยๆ บุญก็จะเป็นหมหาบุญโยมากขึ้นดีขึ้นความดีไม่ใช้ว่าจูจูจะได้ดีทันทีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้ดีในวันเดียวต้องสร้างบาร ม, มีเป็นสมไขนานแสนนานคนเป็นเศรษฐีไม่ใช่เป็นเศรษฐีในวันเดียวต้องสั่งสมครับแต่ผอมรอมริบกันนานจงจะขึ้นมาเป็นเป็นระบบเศรษฐีได้ ก่อนจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ไม่ใช่นิ่งๆจะเป็นนักปราชญ์ได้ต้องสั่งสมความรู้สั่งสมความดีให้เฉลียวฉลาดสามารถหรือไปเรื่อยๆทําความดีกว่าจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยก็ต้องก้าวไปตามสิบสีสิบปีทุกเก่งทุกอย่างมาจากสิ่งน้อยไปหามากน้อยที่ถดที่เราทํากันอยู่เรีย ก, กว่าน้อยแต่น้อยเป็นน้ําเป็นเนื้อไม่จะน้อยเือเหลือแต่เปลือก คนเราก็มีสองเรื่องคือข้าวเปลือกกับข้าวกับข้าวสารข้าวเปลือกเป็นยังไงมันก็มีเปลือกเปลือกของมันก็หุ้มข้าวสารไว้แต่เปลือกของมันก็เป็นแกรบแล้วก็เป็นรัมมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่มันต้องหุ้มข้าวสารไว้เวลเวลาคนจะถ้าเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสี สีและกัดให้เหลือแต่ข้าวสารที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไปกว้างว่าข้าวเปลือกก็คืออวิจาเป็นตัวหุ้มจิตใจเป็นปูเป็นตัวปกคลุมความโง่ของโลกว้ที่มันหุ้มคือมันมืดเรามืดเพราะอาวิจาเราต้องแก้อวิจาเหมือนกับข้าวเปลือกเอาเปลือกออกไปเหลือข้าวสารข้าวสารนี่ใช้ประโยชน์อะไรบ้างอาานทั้งหลาย ร่างกายเราทุกอย่างในอาการทรบทิตรองมันมาจากข้าวสารเรากินเราอยู่เราดื่มดําเข้าไปข้าวเลยน้าชีวิตจึงเป็นอยู่ได้ขนใดเราสร้างความดีจากสิ่งที่ม า, ม, ามืดแล้วก็อยู่ระหว่างต้องแก้ต้องไขต้องเอาเปลือกออกเอาเปลือกเกลือวิจาความหลงความไม่รู้ไปหลงรู้ไปหลงอะไรญาติโยม ไปหลงตัวเองหลงตรงไหนหลงตัวเองหาว่าเที่ยงหาว่าชาบอหาว่ามัน่นคงอย่างนี้ก็เรียกว่าโง่แต่ถ้าบอมีปัญญาแจ่มใสขึ้นบ้างมันก็รู้ว่านี่คือสิ่งไม่เที่ยงร่างกายไม่มีเที่ยงอะไรสักอย่างเดียวเที่ยงแล้วไม่หนำสามันชราด้วยที่นี่ความแก่มองไม่เห็นนะแต่ความแก่ก็ต้นไม้เราเห็นใบเมันร่วง หรือว่ามันพุกมันพังกิ่งก้านมันหักลงมาแต่ความแก่ในตัวเราเนี่ยมันลี้ลับซับซ้อนมันทรมนอย่างอื่นนั้นแก้ได้เก็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่มีโรคใดจะรักษาความแก่ได้หรือความเจลาได้จึงหมอจิวโกวามารพัฒเป็นหมอของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะปรงุงสมุนไพรมาแก้ความเจราของคนได้ความเจราก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองแหละ เ จ, จยาอยู่ที่ไหนความเป็นทุกข์ก็อยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่ไหนความไม่ใช่ตัวตนก็อยู่ที่นั่นนี่ก็เรียกว่าประเทืองปัญญาให้รู้ความจริงในเรื่องของชีวิตที่ท่านแปก ว, ว่าคำว่าเถื่อเถือต้องมีลายลายของเถือคืออะไรอะลายเถือดาวก็ได้ลายเถือดาก็ได้ทีนี้ลายของเถือคำว่าเถือมันต้องมีเขี้วหลเล็บ เขี่ยวเล็บของมันไว้ทำอะไรล่ะไว้ํำหรักจับอาหารกินเรียกว่ากินคนก็ได้ใจเล็บอ่ากับกับเขียวทีนี่คนเราก็เหมือนลายเหมือนกันเมือนลายเสือลายของคนอยู่ตรงไหนร่างกายสังขารทุกชนิดมันมีลายสามลายลายหนึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าลายของชีวิตแล้วลายของชีวิตที่จริงก็ทุกนะทุกทั้งหมดเลยแล้วไม่มีทุกเลยเนะ ชีวิตเกิดไม่ใช่คนเกิดทุกมันเกิดความเป็นอยู่ไม่ใช่คนเป็นอยู่ทุกมันเป็นอยู่มันครองร่างอยู่แล้วก็ร่างกายนี้ทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ทั้งเป็นนันตตาทําไมถึงยกเรื่องนี้ขึ้นพูดพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนโมธนาวัดนี้ต้องกล่าวความจริงของชีวิตให้คนสลดจิตในความเป็นอยู่ที่หลงเพอหลงร่างกายหลงชีวิตหลงความเป็นอยู่ มันจะหลงอะไรอ่ะหลงไปหลงมาก็ไม่เที่ยงเป็นตุ้แว่นาตาทั้งนั้นมันน่าจะปล่อยมันน่าจะวางมันน่าจะเสียขลักไปบ้างให้เกิดปัญญาทำสามประการ น, นี้คือเรียกว่าไตรลักษณธรรมนี้ถ้าใครเข้าใจแล้วประเทืองปัญญาให้ปัญญามีรัตมีประพัดสอนขึ้นในอารมณ์ให้กลายเป็นข้าวสารอย่าเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็ะําได้ต้องสีต้องขัดฉเฉยกดเป็นคนต้องขัดต้องอบรม ที่เขาเรียกว่ากันเลขะกัดเราตัวเองให้ดีขึ้นกัดกายวาจาใจกัดนิสัยที่อยาบช้าให้เป็นนิสัยละเอียดละอ่อนขึ้นนิสัยละเอียดนออิสัยดีจังเกต ต, ตรงไหนจังเกตที่บุคคลมีศีลนะพวกพวกมีกิริยามมารยาทดีๆนะก็เรียกว่าคนงามคนสวยคนบริสุทธิ์พวกมีศีลเนะี่ยมีศีล น, นี่ดีเขาเรียกว่าอธิการยานั่ง ความงามความสวยเป็นครั้งแรกคือครั้งแรกนี่ก็คือศีลมัจเจกัละยาณนาั่งความสวยความงานท่ามกลางก็คือสมาธิใจที่มั่นคงใจที่เข้มแข็งใจที่ต่อต้านต่ออารมณ์ของโล ก, กทําได้แล้วก็ให้ปัญญาสุดท้ายของชีวิตคือปริโยส า, า, านกัลยาณ์ั่งคนเราสวยหามตัวปัญญาปัญญาก็ตามศีลก็ตามสมาธิก็ตาม ทั้งสามประการนี้เรามีแล้วมีแต่ยังน้อยเมื่อน้อยก็ต้องทำให้มากรักษาศีลในตลอดชีวิตอย่างน้อยเี็ดห้าที่ว่าให้รักษาตลอดชีวิตได้ไงที่ลงงพ่อว่าจีเลศีละนิจจศีระเกิดนั ด, ด, นดรักษาเป็นนิจชีวิตเป็นคนปรบับใจต้องรักษาศีลถ้าเกิดดีก็รักษาเที่ยนีในทานทางหลาย ถ้าคนไม่รักษาสิ่งนนก็เรียกว่าคนเหยียบแผ่นดินผิดเกิดผิดอยู่ผิดจึงจะร่ํำรวยจึงจะมีอุดมสมบูรณ์ยอดเสาบรรดาจากักสูลวงถงหรือจะเป็นปกครองคนหัวหน้าคนถ้าขาดสีจะใช้ไม่ได้เลยนี่บ้านเมืองที่เดือดร้อนทุกวันนี้นี่เพราะคนขาดสีหน้าจะมีสีหน้าสมบนจริงแล้วไม่ต้องปรองดองกันหรอกมันดีเองแหละมันไม่ค่ากันเองหละมันไม่ก่มยกันเองหละมันไม่ผิดลูกเมีเยใครหละ แต่นี้ต้องผิดในเรื่องนี้กันบ่อยๆเพราะไม่มีศีลศีลจึงเป็นความสวยหามศีลจึงเป็นความดีท่านอย่ามองผาดเผนมองเมินในเรื่องศีล น, นะต้องเอาใจใจให้ดีคำอนุโมทนานี้ก็คืออนุอนุโมทนาความดีของพวกท่านที่มาทําบุญทากุศล น, นี้ขอคุณพระศีรัตนไตรัยจงมาบรรดมันดาในท่านทั้งหลายถูกท้อมบนด้วยอายุวันนาสุขบุญละมี ลาบยศเถรและเถรและความทุกทุกติปาราติการกาสัมโมจนิยกถาก็พอสมควรเกเวลาด้วยปรากราเจนีความไว้ตั้งใจรับพรยาธวาลิวังาปุราปริปุรันเตาะรังเรวเมวิโตจินัง เปานังอุปการปติจิตังปจิตังตมังคิปเมวัตเมจเตสะเปปุเรนโตสังปาจันโตปันนราโชยะธรนิจโตโยา I n o การจารยญาณเสตํะนังละพั Why, John? บบนะไปถือ น, น้ำมนแล้วโามามพรานมนขาว ข, ขมาละทั่วถน บานบานเทนา ยาปะเกลียงอภาราสินตาป วังคะเรฆาบราจิตา ด่งกายกรรมวนจากรรมบัจจินาปัจจคินาบานอกกรรมบัณิตปจากินาเนกาตวันะ ทมาทุกคนในวันนี้ทั้งาติธรรมทั้งท่านท่มีสิ่งใดที่ประมาททานทํารคเลย น, นะครับก็ได้ขอเข้ามาพระแม่กวนวจารยาพิสดุสุกุลนะครับหาทกท่านได้อ้อมจิตน้ อ, ใ, นอใจ น, นะครับตั้งนโมสามจบนะครับนโมะพ า, าวตุ นัมเคปมาเดนะท้าวท้าวรา a เย ามเนทังเกมาเรนะขวาราตเยนะกั ang, ang, uh ังขวาราตเยนะกัังสัังอปปารังสัังอปะรังธรมุโนพันเตธรรมทุโนันเตหังกามิตเมหิปิเมกมิตบังด้วยกายกรรมวจิกรรมมนุกรรมที่การแสดงออกเรื่องความเป่ารบนอบนอบตอพระสงค์ขระเจ้า ที่เรียกว่าอาปาจะยนตธรรมตามที่เกิดขึ้นเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตัวบุญบา ร, รมีเกิดขึ้นเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระเจ้าอยู่หรือพระเจ้าแผ่นดินหรือใครคนใดที่มีอายุถูงกว่าเราเราเคารพนอบนอบ้อมเราการาบเรไหวน้นี้เป็นบุญนักหนาวันนี้ท่านทั้งหลายได้แสดงออกเรื่องความ นอบน้อมความกรารบสอบรสประสงค์ผู้ทรงเสน่ทรงธรรมขอมบมนบารมีอันนี้จงติดตัวท่านไปเมื่อเอาตามตัวและอิตใจไปด้วยบุนทุกชาทุกาพท่านอย่าได้เหลือร้อนในชีวิตเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้ให้มีแต่ความสุขววนเจริญตลอดกาลและนานเถอ น้ำมอมีมององอ๋อพาจะบุญพะจาตุวณนวารจะตงวามนีวานนวาปีจงวานตงว่าพัดตงวาเอดิเกดองกระเจีอ่ะติมีมาดมีหงินอยากให้บอกอยากยากให้่โกุมะมูลมาให้เงินไหลนองให้ทองไหมาอยากไ้ขาดจะได้บอกกระาจะได้ขาดกระหวังสพักกําลัง อย่างนี้คือเก่าเงินคำแก่าได้ขาดขึ้นถูงให้เจ้างงงใส่ทังท้องในเบาให้ก้นท้องไหล่พวกเขาเต็มกบเบาอึดเต็ม